ท่านฟังที่เคาคะท่านกำลังฟังรายการสัมมนีสนทนาดําเนินรายการโดย ส, สัสมนาหน้าพงนะคะมาถึงช่วงสองของรายการเราก็จะได้พบกับการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวจนะหมายความว่าในการตอบคําถามนั้นจะยกเอาพูท้ทวัจนะมาให้ความรู้กับพวกเราประกอบกันไปด้วยโดยพระไพบูลณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะนมัสการท่านคะใช่จริยบาลค่ะมาถึงวันนี้อย่างไรเสียก็ยังจะต้อง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 จมูกก็ได้กลิ่นนะคะลิ้นก็สัมผัสรสกายก็สัมผัสหนาวร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ใจเนี่ยหวคิดตลอดเลยเดี๋ยวรู้สึกดีเดี๋ยวก็รู้สึกไม่ดีเดี๋ยวก็รู้สึกเสียใจน้อยใจดีใ จ, ใจทุกเวลาเลยทุกเวลาถ้ามีสิ่งเหล่านี้จึงต้องเผชิญทุกอย่างนั้นนรอคะใช่ใชออ่อย่างไรก็ตามก็มีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า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 เอาแค่วาจาที่ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิกระทบกระเทียบเบียดเบียนนี่วาจาวาจาหยาบล่ะอันนี้คือนิยามของวาจาหยาบของพระพุทธเจ้าเหรอคะใช่ใช่วาจาหยาบก็คือคำพูดที่ชาวเมืองเขาไม่พูดกันแตะเป็นวาจาหยาบอันไม่ใช่ของสัตว์บรุษเป็นวาจารกระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิต่อให้เป็นคาพูดที่สุภาพสุภาพชวนหวานปานน้าผึ้ง แต่ถ้ามันเสียดสีเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธินะอันนั้นละวาจาหยาบคนที่คนพูดวาจาประเภทนี้ อ, ออกไปจะเป็นเช่นไรนะคะถ้า<อ>ท <ำ S 2> ําบ่อยทํามากทําเป็นประจําก็จะเป็นไปเพื่อนรกกรําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอืมหรือถ้าไม่บ่อยไม่มากไม่ประจํานะก็จะทําให้เป็นผู้ที่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจอืคนพูดหยาบหยาบเนี่ย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 Uh, <Okay. S 1> เพื่อนเนี่ยมีหลายนัยยะอยู่นัยยะที่เป็นตัวบุคคลที่คุณโยมติ๋วพูดอาจจะลใหม่ไปตายจากไปบ้างก็อันนี้เป็นนัยยะที่หนึ่งนัยยะที่สองนี่คือเอาครูบาอาจารย์ก็ได้นะคนอื่นคนดีๆเราหาใหม่ก็ได้นี่หรือว่าเอาครูบาอาจารย์ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนก็ได้เป็น <Okay. S 1> กัลยาณมิตรในกรณีนี้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆเอานี่แหละว่าเอามาร์กเนี่ย เ, เ, เป็นเพื่อนซ ะ, <Okay. S 1> ะกัลยาณณวัดกรกัลยาณมิตรที่เรามีได้เอาเรีย ม, มัธยมองแปด หนในนั้นก็นี่แหละให้คิดดีผู้ดีทำดีค่ะก็เท่ากับว่าเพื่อนในที่นี้นไม่ได้หมายถึงแต่เพื่อนที่เป็นมนุษย์แต่เพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนที่เป็นนา ม, มาทำแต่คือธรรมะก็ได้ใช่ใช่ใช่ไหมคะเราจะนำท่านให้ไปสู่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือการเห็นชัดเจนว่าความทุกข์เนี่ยของท่านเนี่ยคืออะไรเหตุแหงความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรจะได้แก้ถู อ, อันนี้รวมกันเรียกว่ามีสตตาแล้วใช่ ง่ายๆอย่างสมมติเราตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันคอ่าอุ้ยทําไมหน้าฉันมีติณกาขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วยังไม่เห็นอย่างนี้นะอ้าวนี่แกแล้วแก่แล้วดู้ไหมหน้าตกใจมากเลยค่ะคุณผพค่ะแก่แล้วนี่อ่าถ้าเราเห็นว่าโอ้ยฉันแก่นี่เป็นความทุกข์นะคุณโยมติ๋อแน่นอนค่ ะ, คะปีที่แล้วตลอดปีฉันอุตส่าห์ใช้ครีมยี่ห้ อ, อนี้มันไม่ได้ช่วยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะค่ะอ่าเอจะแก้ปัญหานี้ยังไง ความมีความทุกข์อย่างเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่าถ้าเราสามารถเห็นปัญหานี้เนี่ยในระยะที่ว่าโอ้ยเราไม่สามารถล่วงพ้นจากความแก่ไปได้นะแล้วไงเราก็ต้องเจอความแก่เป็นธรรมดาจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีศรัทธามีเอ่อมีความปล่อยวางได้นะตรงนี้แหละจะทำให้เกิดเอ่อเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้นะคะค่ะตัวอย่างที่ท่านยกเนี่ยก็ทำให้ดิฉันได้ใช้ความอดทน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 นะถ้าะจะแนะนำสั้นๆก็จะแนะนำได้ประมาณนี้นไม่พอใจก็ต้องอดทนเอาไวใ้ในะคะเป็นการสะตีกิจค่ะ <c oughs> ท่านคะแหมเวลาน้อยจริงๆ huh. นะคะวันนี้ก็คงต้องนมัสการขอบพระคุณพระอาจายเพรบูลแต่เพียงเท่านี้นะคะจ้ า, จาจพอค่ะท่านฟังคะท่านเพรบูรเสาร์อาทิตย์ท่านยังพบกับพวกเราทุกคนได้อยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย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 วันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากรายการสัมสนีสนทนาดิฉันสัมส น, นาพงศ์นะคะพุทธสวัสดีค่ะ